สิบเก้าสมถาทิกรณวาระวาระว่าด้วยอธิกรระงับด้วยสมถะสา9้ยถามสมถะระงับด้วยสมถะหรือสมถะระงับ <Kimberly> ด้วยอธิกรหรืออธิกรระงับด้วยสมถะหรืออธิกรระงับด้วยอธิกรหรือตอบ สมถฏระงับด้วยสมถฏก็มีสมถฏไม่ระงับด้วยสมถฏก็มีสมถฏระงับด้วยอธิกรณ์ก็มีสมถฏไม่ระงับด้วยอธิกรณ์ก็มีอธิกรณ์ระงับด้วยสมถฏก็มีอธิกรณ์ไม่ระงับด้วยสมถฏก็มีอธิกรณ์ระงับด้วยอธิกรณ์ก็มี อธิกรณ์ไม่ระงับด้วยอธิกรณ์ก็มี310ถามสมถะระงับด้วยสมถะได้อย่างไรสมรถะไม่ระงับด้วยสมถะได้อย่างไรตอบเยปุยสิการะงับด้วยสมมุขาวิไนไม่ระงับด้วยสติวินยัยอมูระหาวิไนปตินยาตการณะ ตัสปาปิยสิกาตินวัฏฐากะสติวิไนระ ง, งับด้วยสัมมุขาวิไนไม่ระ ง, งับด้วยอมูระหาวินัยปฏิญญาตการณะตัสปาปิยสิกาตินวัฏฐากะเยปุยาสิกาอมูระหาวิไนระ ง, งับด้วยสัมมุขาวิไน DE, ไม่ระ ง, งับด้วยปฏิญญาตการณะตัสปาปิยาสิกาตินวัฏฐากะ เยปุยสิกาสติวินัยปฏิญญาตะการะระงับด้วยสัมมุขาวิันไม่ระงับด้วยตัดสปาปิยสิกาตินวัฏฐารกะเยปุยสิกาสติวินัยอมุระหาวินัยตัดสปาปิยสิการะงับด้วยสัมมุขาวินัยไม่ ร, งธธระ ika, รร ง, มมรงับด้วยตินวัฏฐาระกะเยปุยสิกา สติวินัยอมุระหาวินัยปฏิญญาตการณะตินวัฏฐารกะระงับด้วยสัมมุขาวินัยไม่ระงับด้วยเยุยสิกาสติวินัยอมุระหาวินัยปฏิญญาตการณะตัสสปาปิยสิกาสมถะระงับด้วยสมถะได้อย่างไรสมถะไม่ระงับด้วยสมถะได้อย่างไร 311ถามสมถะระงับด้วยอธิกรได้อย่างไรสมถะไม่ระงับด้วยอธิกรได้อย่างไรสมถะระงับด้วยสมถะได้อย่างนี้สมถะไม่ระงับด้วยสมถะได้อย่างนี้311้อยถามสมถะระงับด้วยอธิกรได้อย่างไรสมถะไม่ระงับด้วยอธิกรได้อย่างไร ตอบสัมุขาวินัยไม่ระงับด so ้วยวิวาทาธิกรอนุวาทาธิกรอนาปัตตาธิกรแต่ระงับด้วยกิจจาทิกรเยปุยสิกาไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกรอนุวาทาธิกรอนาปัตตาทิกรแต่ระงับด้วยกิจจาธิกรสติวิไน ไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกอนอนุวาทาธิกร TA, อนอปัตตาธิกอนแต่ <S <S ระงับด้วยกิจจาทิกอนอโมระหาวิไนไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกอนอนุวาทาธิกอนอปัตตาธิกอนแต่ระงับด้วยกิจจาทิกอนปฏิญญาตะการณะไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกอนอนุวาทาธิกอน อาปัตตาทิกรแต่ระงับด้วยกิจจาธิกรตัสปาปิยสิกาไม่ระงับด้วยวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรอาปัตตาธิกรแต่ระงับด้วยกิจจาธิกรตัสปาปิยสิกาไม่ระงับด้วยวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรอาปัตตาทิกร แต่ระงับด้วยกิจจาธิกรตินวัฏฐากะไม่ระงับด้วยวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรอาปัตาธิกรแต่ระงับด้วยกิจจาธิกรสมรถะระงับด้วยอาิกรได้อย่างนี้สมถะไม่ระงับด้วยอาิกรได้อย่างนี้312ถาม อธิกรระ ง, งับด้วยสมถะได้อย่างไรอธิกรไม่ระ ง, งับด้วยสมถะได้อย่างไรตอบวิวาธาธิกรระ ง, งับด้วยสัมมุขาวิัยและเยผุยยาสิกาไม่ระ ง, งับด้วยสติวิไนอมุรหาวิายัยปฏิญญาตะการะตัดสปาปิยสิกาและตินวัถารกะอนุวาธาธิกร ระงับด e. ้วยสัมุขาวิไนสติวิไนอโมระหาวิไนและตัสปาปิยสิกาไม่ระงับด้วยเยปุยสิกาปฏิญญาตการะและตินนวัตถารกะกอปัตตาธิกรระงับด้วยสัมุขาวิไนปฏิญญาตการะและตินนวัตถารกะไม่ระงับด้วยเยปุยสิกาสติวินัย อมรหาวินันและตัสปาปิยสิกากิจจาธิกรระ ง, งับด้วยสำ ม, มุขาวินัยไม่ระ ง, งับด้วยเยปุยสิกาสติวินัยอมุรหาวินันปฏิญญาตการณะตัสปาปิยสิกาและตินวัฏฐารกะอธิกรระ ง, งับด้วยสมถะได้อย่างนี้ อธิกรไม่ระงับด้วยสมถะได้อย่างนี้313ถามอธิกรระงับด้วยอธิกรได้อย่างไรอธิกรไม่ระงับด้วยอธิกรได้อย่างไรตอบวิวาธาธิกรไม่ระงับด้วยวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรอาปัตตาธิกรแต่ระงับด้วยกิจจาธิกรณ์ อนุวาธาธิกรไม่ระงับด้วยวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรอาปัตตาธิกรแต่ระงับด้วยกิจจาธิกรอาปัตตาธิกรไม่ระงับด้วยวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรอาปัตตาธิกรแต่ระงับด้วยกิจจาธิกรกิจจาธิกรไม่ระงับด้วยวิวาธาธิกร อนุวาธาธิกรอาปัตตาธิกรแต่ระงับด้วยกิจจ า, าธิกรอาทิกรระงับด้วยอธิกรได้อย่างนี้อธิกรไม่ระงับด้วยอธิกรได้อย่างนี้สมถะทั้งหสมุทฐานอาธิกรทั้งสี่อย่างระงับด้วยสามุขาวิไนแต่สมุขาวิไน ไม่ระงับด้วยอะไรสมถทาธิกรณวาระที่ส9เกจบ